เทศโอบรมพระวันที่ส0บมกราคมพุทธศักราช2523เทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวย<อ>านสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเป็นพิเศษกันนี้เทศเกี่ยวกับความห่วงใหญ่หมู่เพื่อนและพุทธกิจหดีเรียบราบและเด็ดขาด เกี่ยวกับนั่งตลอดรุ่งสู้กับทุกขเวทนาจนเห็นความอัศจรรย์นี่คือการรบสงครามอาจารย์มั่นยุหมาเราเป็นหมาการประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตัง้งแตสร้างวัด เพราะเป็นปกติอย่างนั้นมายิ่งมีพระมากเกี่ยวข้องมากเท่าไรการให้าวาดการอบรมสั่งสอนก็อยู่ต่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอ เมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพพอดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครัางพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออาถต่อธรรม ด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับรอวาทคำส อ, สอนได้ ร, รับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทำพ่อแม่กรัวอาจารย์มั่นเป็นต้นในการบดบลม จนเท่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่ยังว่าห่างๆไปบ้าง้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือ ฟังพระว่าจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจิยานั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยนม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจิยาคือเป็นภารกิจอันจําเป็นของพระพุทธเจ้า เนบ่ายสามโมงสี่โมงประธานโอวาทให้แจกประชาชนทั่วๆไปนับแจกพระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่มสองทุ่ ม, มประธานพระโอวาทแจกพิกษุบริษัทหกทุ่มรวมไปแล้วก็แก้ปัญหาและ อ, อบรมสั่งสอนเทวดาสามแม เป็นปัจชิมยามไปแห้วก็ทรงเลนยานดูสัตวโลกผู้ใดจะมีปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระงได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะอรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก่เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน ตอนเ้าเสด็จออกปินขบาตมีมีห้าประการเรียวกวพุทธกิจของพระพุทธเจา้ากาะทรงพักผ่อนหรืองดเพื่อนบางบางกิจบางประการก็ตามปรัชญาใจของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความ เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองศ า, ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมพีพุทธกิจห้าจึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกฟ้องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการ ประธานโพวาดในภิกษุนี้รู้สึกจักถือเป็นกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและดำเรินรูุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมาย ที่เกิดในบรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจํานวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มบกเต็มใจเพื่อรู้แ้ยแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มทัติกำลังของตนที่จะผึงรู้ผูเ้เห็นได้ด้วยเหตุ น, นี้ แต่เป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่ห้ายปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยถูกที่มีจิตเปิดเพื่อมรุ่นนิพพานอยู่แล้ว การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลิพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงินนั้นไปได้โดยลําดับลําดับเมื่อหลายลายต่อหลายลายด้วยกันก็เป็นจํานวนมากอ้าว ฟังคราวนี้องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปหมาก็มาดับรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลําดับํานามมีจําเนวยนมากต่อมากก็ต้องเดบบรรลุธรรมเป็นลําดับํานาไปด้วยความผ่านไปเดินลำดับของการฟังแต่ละครั้ง นี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยรู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลาดับ มีเราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเตา่าเลื่อคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังทมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นขิปาพิญญาที่บรรลุธทําได้เกี่ยวจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำรา ตำลาก็คือทำความประพุทธเ้าออกมาจากความจริกคืองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงนําเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนําเรื่องความจรินั้นออกมาตำลาก็ต้องเป็นความจริงโดยลําพันธุ์ภุทติตันยูวิปภิจตันยุเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะ ก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลาดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาพปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภ่ า, ภาปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วย หมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อห้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแน่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ ลิ้งแย่ปากแย่ท้องของตนแล้วเห็นได้จะเบื่อในการรับทำทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจา้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอยากชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจ เป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงดื้นเนื้อธรรมของท่านเป็นลําดับระดับไปคาว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตนเองได้แต่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมียเดียกวกับรู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอยงรู้ในขณะฟังเป็นอีหน่ะผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้ว เป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุทำคันนั้นขั้นนี้ไปเรืร่อยๆ น, นงงี่ฉัเป็นห่วงมือเพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตาสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออเพื่อทํา ขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มทัศน์กำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนมุ่งพัฒนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวย พระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนําธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชื่อก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมคลืนกันไป ดังครั้งพุตธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความคมคืนกันทางด้านปฏิยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมให้รู้แจ้งแจ้งตลอดทั่วถึงไปหมดทำทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างท้าสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่ สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจาจะปัญจกกรรมฐานเป็นต้นหมือมีโอกาสอุปชาอาจารย์ก่แสดงหรือพระพุทธเจ้าก่อแสดงให้ทราบเรื่องกองทา่ากองขัน รูปประคันเป็นสําคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกีสารโรมานาขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดทันอยู่กับรูปประคั น, นี้เป็นสาคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ ในกรรมฐานห้านั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชกุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ3ามยีสองผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักบงยาง หมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำหนับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณา เมืองต้นท่านเพียงถึงเกศาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะํำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสม ม, มไวเหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโงกเขาทั้งหลายหลงมมงมงาย ติดอยู่ในสิ่งโนนี้แล้วพอติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจรารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี้ที่แรกก็ ตัดต้นไม้ดายญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็เด็ดกลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังทัดแต่งนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องช้ไม้กวา่าปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกัน การพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หยอ่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลําดับดัๆจนซึ่งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปปัจขายนี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งหนึ่งต่ได้ด้วยปัญญาชอบธรรม ท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจณาตามที่ท่านสอนนี่แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บาเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปไปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจนาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้น ครับแคบถึงขั้นขว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คําว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นทำคกคมคลืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวของปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียง ได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อหนาเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเจซาลุมานาค่าตันตาแตโจอุ๊ววันนี้คือผมผลแลฟันหนังนะ แตนี้ให้พิจารณาผมผมเนื้อฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่และอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักของธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสนับพังร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนําซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่ง นอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกตะมาณไม่ได้จนเกิดความกระดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นเห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยนี่มันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้ได้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจา้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทําทงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนําวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัณณ์นี้ ไม่มีคําว่าจืดจางไม่มีคําว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงวรรค ส, สุดท้ายสลัดเปลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นกิจที่บบิสุดหลุดพ้นขึ้นมาพัยในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลาดับลาดาไปเพงรูปประคันเท่านี้ก็ เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟอเ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นะจะเป็นรูปอะไรพรินก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นน่ะรถเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอั น, นั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี่ชัดเจนแล้ว มันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรถที่ไหนเพราะเห็นรูปนี่ชัดเจนประจับตนแล้วว่ารูปนี้ฉันใดรูปนั้นก็ฉันนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรถกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เอง เมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาอยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่เพิดไม่เพลินความเพิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปประขันของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด เคลิ่อนไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้าหนหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงายก็เหมือนกับพากพืนออกจากไฟโดยลำๆๆดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่ไขความจริงที่มีอยู่แล้ว ปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารู ป, ปรขันยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะๆะะไปในขณะที่เรากําลังพิจารณาขันอยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกัน รูปขันก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันก็มีทุกเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเปรียบเท่ลาลัดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความลกล้าสามารถขึ้นได้โดยลําดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติ งานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับต่อความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับอีกกันไม่ทั่วให้ออกมาได้โดยลำดับด้วยงานที่ทํานี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษที่โสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความตดทอนกิเลสความยึดมั่นถี่มั่นในขันทั้งหลายมีรูปขันเป็นตน้น มีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับพิเลศอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งปึ้งรบปลากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟอ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรม ให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ามเหยียบย่ำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหาักห้ามสกัดรัดกัน้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอัว น, นี้ที่ไปคิดกับเรื่องอั น, นใดแงใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน ด, ดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กัน หนักเท่าไรก็ต่างฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทํางานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทํางานอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนะักเราเคยอยู่เฉยเฉยแล้วนั่งไปงนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั่นปวดนี่ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวานแต่หนาม มาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาจากปืนแต่ไฟมาเผาลนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสําคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลูนอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาลนตัวเองไม่มีสิ่งใดหนวกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการลบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลส ด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อความเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างทำรรกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทยแล้วพระสาวกทั้งหลาย ได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จรุ่งรงไปได้ความอดความทนความภาคความเพลี่ยนวิริยะคือความภาคเปลี่ยนขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเลี่ยนของเราไม่ลดละ นี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่าที่เด็ดจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น <c oughs> สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงนําำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพพระไทยวกเราจงนํำทำที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกํากับตนมาเป็นเครื่องจัตราวุธมาเป็นสเสบียง เครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทําหน้าที่เต็มเม็ดเป็นหน่วยไม่ลดละทอ้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนดูด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละหนึ่งคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทําอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งตายช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะ ผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโรค ท, ทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวานาไม่เคยต่อสู้กับพิเรนเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลําบุญเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับพิเรน ด, ด้วยความภาคภูมิเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทําไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสําหรับนักปฏิบัติ เพื่อความฉลาดให้ทันกับคนมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันผันขม่มไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบุมายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สําหรับผู้ที่ชอบไข้ควรนอกจากจะ น, นอนจมเหยเฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเฉียงอยู่เฉย เพื่อเพลินในแกวบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเฉียงสับยำเมื่อไหรเขาหม้อตมหม้อแกงเขาเมื่อไหรไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบอดมาบวชมาเป็นศิรถาโคตเพื่อเป็นนักปร า, า, ราดฉลาดแหลมคมต่อที่เดชทั้งหลายฟาดฟันหันแหละกรนไปด้วยความภาคเพียรและสติสติปัญญาของเรา แล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราดลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้ามันเป็นของเราเอาทุกข์กระทุกป์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเห็นได้เราจะมาเพ่งเลนเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเพียรนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้หรอความจริงไม่อานวย ความทุกข์ทุกเหมือนกันนี่ทุกข์เพื่อความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปลัดต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุเจ้าเราเป็นจอมปลัดเราเป็นลูกศิษย์ท้าก็รู้เป็นจอมปลัดก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกับพิเรนตันหาอาซ้อประเภทต่างๆด้วยสกิปัญญาแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ ตายก็ยอมตายปัช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายปะชะัช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยไถ่เดียวเพราะอำนาจแห่งความเทียนนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ ท, งทรงพระชนดูแสดงด้วยพระอาจารย์ได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ ถึงพระองค์จะไปผพานไปแล้วก็ตามาศาสนธรรมก็คือองค์ศาสด า, า, าอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผ ม, มีความขยันความอดความทนความมุสาพยายามความเห็นแก่อดแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมัน มันจะเหยียบย่ําทําลายตลอดไปไม่มีทางที่เิเลตเิเลตจะถอยตัวเมื่อเรายอมจํานวนมันมันจะต้องเหยียบย่ําทําลายหนักมือเข้าทุกขีีจนกระทั่งถึงป ร, ราชายัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัยเราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบาังคับจิตจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ่งเฟอ้อต่อยตามเพอใจของจิตเลยพาให้เป็นไป สติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายอจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกํากับรักษาอยู่เท่านั้นทําไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัย เราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทําอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับนั้นเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคบําบริกกรรมตั้งหน้าตั้งตาเอาเหมือนคนจะตกเขียวตกบ่อระมัดระวังตัวเรือเดินข้ามน้ำสผ่านไม้ลําเดียวนั่นเนี่ยระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลอง จนผ่านแต่ได้ชาติประมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสันี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพรา ะ, ราะที่เหล็กถุดล่าไปเราไม่บังคับจิตใจขงเราให้ควรแต่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไร ปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั่นสมาธิขันนั้นคันนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวานละใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาขี้กายดูเรื่องธาตุเรื่องขันทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเต็มไปนู่นนี่จังทุกขั้วน้าตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไม่วังใจได้ที่ตรงไหน โลกใดก็ตามที่เต็มไปด้วยอาจารทุกขังนัตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกนั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอาจารย์ทุกขังนาตาัา ต, งนาตาทุกขทีนทุกส่วนแม้จะอยู่ในถ้ำกลางแห่งขันที่เต็มไปด้วยอาจารทุกขังาตากิตก็ไม่เป็นทุกนั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับกิดตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะะฉนั้อมจงฝึกฝึกกิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงที ในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพระลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึ่งประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโกโอกาสไปเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่ไม่เป็นประโยชน์ทานในจิตใจและตัวของเราองไม่สมควรอย่างยี่ อยากแล้อยากพาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตตรงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกําลังความสามารถเมื่อรูจ้จะรู้ที่ไหนทาไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดฟันหันแหละกันลงที่นี่จิตนั่นตัวดือ้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดือ้อพายขนองไม่ใช่อะไรพายขนองนะกิเลตั้งหาก ท่าดื้อด้านหารสู้ทาไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะทั้นทที่เรียนมาปฏิบัติมา เ, าเพื่อจะปราบตามที่เดียนเป็นตัวฆ่าส่ดสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจนให้มันหมอบลาดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบอีกเรียกว่าสมาธิก็อย่างดีและปัญญาให้คลี่คลายมันออกไปพิจิตพิจนากว้างแคบ ลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สําคัญสําคัญแห่ความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ต่างให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเทียงให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดระหว่างขันกับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างหนงมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้อิดดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสําคัญ เหตุกิจจะเป็นตัวการสาคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี้มันเป็นตัวการนั้นสำคัญบังคับจิตจะให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจด้วยการพินิจพิจารณาด้วยประโยคแห่งการพยายามพ้องเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกําลังสามารถ โดยลำดับสลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลําดับลําดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นเลยเพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จริงรูปนะสําคัญรูปกายเป็นของสําคัญอที่จะเลื้อกําแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทําลาย ถ้าสึกได้มันสำคัญกําแพงมันขวางกัน้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกําแพงสําคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากําแพงเก็บชั้นสติปัญญาแทงมาทะลุตาฟ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่ ง, งกว่านี่ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาปัญญาวุฒ แทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปประคันเวทนาขันละเอียดขนาดไหนเวทนาขันทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขานเอย่างแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายนจิตมีจํานวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอํานาจของสติปัญญาก็ถูกทําลายไปด้วยกัน จนแหลบละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิต ด, ดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ค่าศึกที่เราลบมาอย่างอย่างชุนมูลวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีค่าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้ว นับตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจธรรมนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความดุพ้น์นั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ไม่เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ค่าอีกแล้ว ความเปียนเพื่อค้ากิเด็ดตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกลมนั่งสามาธิภาวนาตลอดปันทันิพานท่านก็ทําตามคติที่เราเคยพูดแหลนักปราณไม่อิ่มทำว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านที่จะนาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันกับกิจจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขแเป็นความสะ ด, ดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะ ทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิบดุกดิบดินมีนั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่นี่เรื่องของขันนี่ปราถณากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี่ทั้งห้านี้มันเป็นสมมุติกิเลสเป็นสมมติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดทีนี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้ว พิเรยก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมันดิ้นยดุกดิบดุกดิดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดังนอนเม้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันดิ้นของมันอั้งนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันถังดิ้นของมันดุกดิุกดิบดุกด จนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นเนี่ยังรู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆแบบนี้ภาร า, าเวปันจักขันทาภาระาโารจปุกโรเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึง มันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพาเป็นอยู่ปรวัยนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันทั้งทั้งติจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้น ไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังคลองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดงนั้นเรียกไ้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันที่มันดิ้นดกติกตุดิดดดดด่ยิ่งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้วันชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ สังขารขันสัญญาขันนี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ่นไปดิ้ น, น, านมาย่งพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหน้องอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้น้องอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละ คือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคมพีบาลานกล่าวไว้มากมากแต่กองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านธรรมในตำราไม่ได้เพราะตรราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห้จริงนี้แล้วค้านได้อย่างไร กราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบชำทั้งหลาย อ, อาอจากนี้ขอท่านเป็นที่หมายขเพื่อนกัน